สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศีบาท น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตเพซูตอนที่422เรื่องพระเวียานบริสุทธิ์ตอนที่2บทฟังพระเจ้าของพระเจ้าในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อที่15ถึงข้อที่20ถ้าท่านหลายรักเราท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเราเราจะทูลขอพระบิดา และพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้แก่ท่านเพื่อจะได้อยู่กับท่านตลอดไปคือพระวิญญาณแห่งความจริงซึ่งโลกรับไว้ไม่ได้เพราะแลไม่เห็นและไม่รู้จักพระองค์ทั้งหลายรู้จักพระองค์เพราะพระองค์ทรงสถิตยอยู่กับท่านและจะประทับอยู่ในท่านเราจะไม่ละทิ้งท่านทั้งหลายไว้ให้เปล่าเปลี่ยวเราจะมาหาท่านอีกหน่อยหนึ่งโลกก็จะไม่เห็นเราแต่ท่านทั้งหลายจะเห็นเราเพราะเราดำรงอยู่ และท่านทั้งหลายก็จะดำรงอยู่ด้วยในวันนั้นท่านทั้งหลายจะรู้ว่าเราอยู่ในพระวิดาและท่านอยู่ในเราและเราอยู่ในท่า น, นครับในวันนี้เป็นครั้งที่สองเนื้อหาที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับพระราช ก, กิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ต่อจากเมื่อวานเราจะเห็นนะครับว่าในข้อที่ 16, สิบหกพระเยซูตรัสว่า พระเยซูเองนั้นจะทูลขอพระบิดาและพระบิดาจะประธานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้กับพวกเราและผู้ช่วยผู้นี้จะอยู่กับเราตลอดไปพี่น้องครับเราจะเห็นสามอย่างที่นี่นะครับในข้อนี้ก็คือว่าเราจะเห็นว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นผู้ที่พระเจ้าประธานาให้นะครับประการต่อไปก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นผู้ช่วยที่ช่วยเรา และประการต่อไปก็คือพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์นั้นอยู่กับเราตลอดไปนี่คือพระวิ ญ, ญญาณแห่งความจริงครับพี่น้องและในข้อที่สิบเจ็ดพูดถึงพระวิญญาณครับว่าพระวิญญาณนั้นเป็นพระญาณแห่งความจริงโลกรับไว้ไม่ได้พระวิญญาณแห่งความจริงโลกรับไว้ไม่ได้โลกไม่เห็นเพราะอะไรครับเพราะพระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณครับพระเยซูโลกเห็นใช่ไหมครับพระเยซู โลกมองเห็นปริศีมองเห็นทหารมองเห็นสาวกมองเห็นใจพระวิญ ญ, ญาณนั้นไม่มีใครเห็นเพราะพระองค์ทรงเป็นพระวิญ ญ, ญาณพระวิ ญ, ญญาณบริสุทธิ์เป็นพระวิ ญ, ญญาณแห่งความจริงโลกมองไม่เห็นเพราะอะไรครับเพราะเขาไม่รู้จักพระเยซูเขาก็ไม่รู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์ในขณนเดียวกันครับเมื่อไม่เห็นไม่รู้จักก็รับไม่ได้แต่ว่าเราทั้งหลายและสาวกของพระองค์ในสมัยนั้นรู้จัก นะครับเราจะรู้จักกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะอะไรครับเราสามารถสัมผัสพระวิญญาณบริสุทธิ์และรู้จักพระองค์ได้เพราะพระองค์สถิตยอยู่ในเราและประทับอยู่ในเราสถิตและประทับนะครับตรงนี้มีความหมายว่าสถิตก็คืออยู่กับเราประทับแม้ว่าจะมีความรู้สึกว่าอยู่เหมือนกันนะแต่ว่ามีความหมายในแง่ที่ว่าอยู่ตลอดไปครับ remain นะครับ remain ก็คืออยู่กับเราตลอดไปพี่น้องครับจากตรงนี้นี่เองทำให้เราได้เห็นถึงพระนาสกิดของพระวิญญาณบริสุทธิ์ชัดเจนนะครับในข้อสิบแปต่อไปพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทำให้เราทั้งหลายนั้นมีความรู้สึกมั่นอกมั่นใจครับไม่รู้สึกเต่าเปรี่ยวเหงาหงอยเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ละทิ้งเราเลยพรงอยู่กับเราใน พระภาคของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในข้อสิบเก้าพระเยซูบอกว่าอีกหน่อยหนึ่งโลกจะไม่เห็นเราแต่ท่านั้งหลายจะเห็นเราเพราะเราดำรงอยู่ท่านังหลายก็จะดำรงอยู่ด้วยพี่น้องครับตรงนี้ทําให้เรารู้ว่าถ้าเราปราศจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะดำรงชีวิตของเราไม่ได้ถ้าปราศจากการดำรงอยู่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเราเราจะเป็นคริสเตียนที่ดีไม่ได้เราเป็นคริสเตียนธรรมดาธรรมดา ที่อาจจะไม่ได้มีกำลังไม่สามารถที่รักษาความเชื่อพี่น้องครับตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะอะไรครับเพราะว่าเราจะไม่ถูกปล่อยให้เปล่าเปลี่ยวเราจะไม่ถูกปล่อยให้เหงาหงอยเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระองค์อยู่กับเราครับพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเราและพระองค์จะอยู่กับเราตลอดไปพี่น้องครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นผู้ที่เข้ามาปกป้องเราให้กำลังใจเราและพระองค์เป็นที่ปรึกษาของเราพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาแทนที่กายภาพของพระเยซูในพระธรรมหนึ่งยอห์นบทที่สองข้อที่หนึ่งได้กล่าวถึงพระเยซูว่าพระองค์ก็ทรงเป็นภาราเกตอสเหมือนกันก็คือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มีอยู่ข้างเรา เป็นผู้สนับสนุนเป็นผู้แก้ต่างให้กับเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นพระเยซูได้กลับไปอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์โปรงประคานพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นพระภาคหนึ่งหรือเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของพระเจ้าที่เราสัมผัสได้และอยู่ในเราพระวิญญาณบริสุทธิ์จะอยู่ในเราตลอดไปและทรงพระนามว่าพระวิญญาณแห่งความจริงหรือเรียกว่า spirit of truth เป็น spirit of truth ที่ทำให้เรารู้จักพระเจ้าครับพี่น้องคงจำได้นะครับว่าพระเยซูได้ตรัสว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริง Spirit of truth ก็คือเป็นสปีดของพระเยซูพระเยซูเป็นความจริงแล้วพระเยซูจะทำงานนะครับต่อไปผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์เช่นเดียวกันครับพระเจ้าก็ทำงานของพระองค์รองค์ทรงทาพระรกิจของพระองค์เองพระบิดาผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ ให้ผู้คนนั้นสัมผัสกับความรักของพระบิดาให้ผู้คนนั้นสัมผัสกับการช่วยให้รอดของพระเยซูและผู้คนนั้นดำรงชีวิตอยู่ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นผู้ที่พยุงรักษาเป็นผู้ที่ทําให้เราทําในสิ่งที่เราควรทําต่อไปเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากนะครับพี่น้องครับขอพระเจ้าช่วยเราให้เราเข้าใจเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระรนิจของพระองค์ พวงจะทำงานผ่านชีวิตของเราได้หลังจากวันเพนเทคอสหรือวันเพนเทคสเตยพระวิญญาณได้ทรงเริ่มทําการของพระองค์อย่างเป็นทางการครับเราถือว่าเป็นวันเกิดของคขึ้นจักรนะครับของขึ้นจักโลกอย่างเป็นทางการพี่น้องครับขอพระเจ้าช่วยเราในการที่เราจะเข้าใจเรื่องนี้และผมอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสให้ครวญชีวิตของพวกเราเองว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นได้ ทรงกระทำภารกิจของพระองค์อยู่ในชีวิตของเราหรือไม่อย่างไรมากน้อยแค่ไหนและเรายอมถวายตัวของเราให้เป็นเครื่องมือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ประกอบภารกิจของพระองค์ผ่านชีวิตของเราแล้วมากน้อยแค่ไหนยังครับในวันพรุ่งนี้เราจะดูกันต่อไปว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เปรียบเสมือนกับอะไรครับมีอยู่ห้าอย่าง พระว ญ, ญาณบริสุทธิ์ก็เปรียบเสมือนกับเป็นน้ำมันเป็นน้ำเป็นไฟเป็นแสงสว่างและเป็นลมซึ่งในวันพรุ่งนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้ต่อไปในเช้าวันนี้นะครับผมอยากจะอธิษฐานเผื่อพี่น้องทุกคนให้พี่น้องทุกคนนั้นจะได้สัมผัส ก, กับพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ทรงเป็นพาราเคทัสเป็นผู้ที่ถูกมอบหมายถูกเรียกออกมา ให้ยืนอยู่ข้างๆเราคอยปกป้องคุ้มครองคอยรักษาสิทธิ์ของเราคอยเป็นคันทจายแก้ต่างเมื่อมารซาตานมันฟ้องร้องเราเป็นผู้เล้าโลมเป็นที่เป็นผู้ที่ให้คําปรึกษาเป็นผู้ที่อยู่ในชีวิตของเราตลอดไปและพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งเราเพียงครับคําว่าพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งเราทําให้เราต้องมั่นใจเวลาที่เราตกอยู่ภายใต้ความทุกข์ยากลําบากครับ พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งเราและเราได้สัมผัสและรู้สึกถึงการทรงสถิตของพระองค์หรือเปล่าหากว่าเรายังไม่รู้สึกและไม่สัมผัสถึงการทรงสถิตของพระองค์เราอาจจะต้องใช้เวลาส่วนตัวไข่ครวนแลกทิฏฐานอทิฏฐานทูลขอกับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับอทิฏฐานกับพูดกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าพระองค์เจ้าค่ะพระองค์ได้สถิตอยู่ในชีวิตของข้าพระองค์แต่ทําไมข้าพระองค์ถึงไม่ค่อยรู้สึก อาจจะเป็นเพราะจิตใจจิตจานึกของข้าพรองค์ได้เสื่อมลงจนกระทั่งข้าพรองค์ไม่ได้ยินเสียงพระองค์เลยหรือเปล่าอาจจะเป็นเพราะว่าข้าพรองคมีความบาปอะไรบางอย่างหรือเปล่าในชีวิตเพราะขวางกั้นทําให้ข้าพรอ ง, ง์นั้นไม่เซนซิทีฟต่อพระองค์อาจจะเป็นเพราะอะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของข้าพระอง่ะหรือเปล่าเพราะเหตุที่คําสอนหรือคํายึดมั่นถือมั่นที่ผ่านมาในอดีต ทำให้เราทั้งหลายอาจจะไม่รู้สึกและไม่สัมผัสถึงการทรงสถิตของพระวิ ญ, ญญาณบริสุทธิ์หรือเปล่าขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะรู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างที่โปร่งเป็นและสัมผัสกับโปรงอย่างที่โร่งทรงเป็นและให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงครอบครองชีวิตของเราทรงปกป้องคุ้มครองชีวิตของเราเป็นผู้ดีดูแลเสริมกาลังเสริมเรี่ยวแรงและอยู่ รอบรอบเราอยู่ในเราตลอดไปอเมน